ต่ออนนี้ไปหากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาเพราะทุกคนย่อมมีจิตกับกายจิตนี้ถ้าไม่ฝึกแล้วมนันลิ่นลนกวดแกงมันไม่ตั้งมั่น เมื่อจิตไปทตั้งมันแล้วก็ไม่มีปัญญาเช่นพวกศึกษาเราเรียนวิชาทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีก็เกี่ยวกับสมาธิเหมือนกันแหละแต่นั้นก็จงพวกนักศึกษาเราเรียนก็ให้พึ่งฝึกจิตของตนให้สงบ ให้ตั้งมั่นไว้ระลึกเข้าไป ห, หากายหาจิตกายนั่นเราถือว่าลมหายใจเข้าออกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจิตนั่นหมายเอาความรู้สึกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ อยู่นั่นนะ่ะนั่นหละคือดวงจิต้อมสติระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นอย่าให้ความรู้คือจิตนั้นมันคิดสงสายออกไปภายนอกถ้ามันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นแล้วขณะเดียวกัน ก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนด้วยอำนาจคุณพระรัตนากายนี้ขอให้จิตใจของข้าพเจ้าจงสงบเป็นสมาธิขอให้มีปัญญารู้แจ้งบาปปุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ตลอดถึงอริยสัจสี่ให้พากันอธิษฐานใจอย่างนี้มเมื่อเราอธิษฐานอย่างนี้คุณพระธรนากลก็จะเกิดขึ้นในจิตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นเลย ถ้าจิตไม่สร้างสิ่งใดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะไม่เกิดมีขึ้นเป็นอย่างนั้นดูแต่การก่อสร้างต่งตางๆโมนี่สร้างบ้านสร้างเรือนโมนี่มันก็ออกไปจากจิตดวงเดียวนี่แหละจิตดวงนี้แหละเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงผู้แต่ง สร้างโครงของบ้านของเรือนขึ้นในจิตก่อนแล้วก็จึงไปวาดแผนที่หรือว่าแบบแปลนออกไปเสาเท่านั้นต้นคือเท่านั้นตัวจันทันเท่านั้นตัวข้าวเท่านั้นตัวไม้ระแนงเท่านั้นกระเบื้องเท่านั้นแผน่น เป็นต้นเหล่านี้นะก็นายช่างผู้ํำนานเขาก็ต้องคำนวณให้ถูกต้องแม้ว่าจะผิดพลาดก็ไม่ให้มากผิดน้อยสร้างบ้านก็จึงเป็นบ้านสร้างเรือนจึงเป็นเรือนขึ้นมาได้ ก, ก็ออกจากกิจตรงนี้เอง ถ้าจิตตรงนี้คิดไม่ออกแล้วสร้างบ้านก็ไม่เป็นเลยดังนั้นจิตตรงนี้นะจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นแกนของชีวิตแต่ว่าจิตตรงนี้นะมันมาอาศัยอยู่กับโลกอันนี้โลกอันไม่เที่ยงนี้นะ่ะ มันเป็นทุกข์ไม่ใช่มันเป็นสุขสม่ำเสมอไปเมื่อไหร่แม้จะมีความสุขว่างก็สุขชั่วคราวไม่ใช่สุขสุขยั่งยืนอะไรอย่างดังนั้นน่ะท่านผวมีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็จึงได้ ทรงบำเพ็ญธรรมมคือทรรมเป็นไปเพื่อความสงบแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์มาเป็นพ ร, รือชีสีภัยก็ทรงไปนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในป่าใต้ล้มไม้แต่ในตำราทั้งกลาวว่าสูนมา ก, กับป่าหิ ม, มาพาน ปาหิมะพานี่อยู่ที่ประเทศอินเดียพระโพธิสัตว์ส่วนมากก็มาเกิดในประเทศอินเดียเพราะมันเป็นศูนย์กลางของโลกและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาเกิดที่ประเทศอินเดียในพระเกับนี้นะพระเถรกับนี้ตั้งขึ้นมา มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดแล้วสี่พระองค์คือพระกุกุสันโธโกนาคมนโนกัสโปโคตมโมรวมเป็นสี่องค์พรพุทธเจ้าทั้งสีพระองค์นี้มาบังเกิดในแผ่นดินนี้หมายความว่างั้นที่ประเทศอินเดีย แต่ว่าไม่ไม่ใช่เกิดใกล้ ก, กันนะท่านกล่าวไว้ในตำราว่าพุทธดรนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อพระองค์หนึ่งแผ่นดินสูงขึ้นได้ยอดหนึ่ง ดังนั้นดังนั้นแหละจึงว่าอาศัยเวลานานไม่ใช่พูดคาพูดที่มันเร็วจริงแหละแต่ว่าความเป็นไปของเรื่องนั้นๆ่มันกินเวลานานแสนนานดังนั้นเมื่อผู้ได้ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ได้พิจารณาเห็นว่าวัจะ ա สงสารอันนี้มันยืดยาวนานเอาเสียละเกินการเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกสันิวาตอันนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ดานาประการทุกข์ก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอก ทุกกายทุกใจนี่แะทุกกายเกิดมาแล้วก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงต้องให้เข้าอมนมป้อนผมเขาช่วยตัวเองก็ไม่ได้แม่นั้นเป็นภาระหนักมากเลี้ยงลูก ให้คิดดูให้ดีนีการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่โดยวิธีอื่นไม่ไม่ชือว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ว่าการออกบวชการบวชมาแล้วปฏิบัติตาม ศิลตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้จริงๆงแล้วภาวนาทำใจให้สงบอุทิศส่วนบุญกุศลนั่นให้แก่มารดาบิดาแม้จะไม่ร่วงลับไปก็ตามาก็อุทิศกุศลให้ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่า จิตใจนี่มันเนื่องกันอยู่ผู้ที่มีกรรมเกี่ยวข้องกันมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันมันย่อมมีความนึกคิดถึงกันและกันในทางที่ดีส่วนมารดาบิดาก็นึกว่าลูกของเราไปบวชไปประพฤกตนให้ ตั้งอยู่ในศีลในธรรมตั้งอยู่ในความดีให้มีนิสัยดีเมื่อนึกอย่างนี้แล้วเห็นว่าไปบวชอยู่ป่าอยู่อรัญญิกาวาสว่าอยู่ในป่าก็ายิ่งดียิ่งไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้อุ่นว้ยกับสังคมต่างๆของคนหมู่มาก แยิ่งมีโอกาสได้ทำจิตใจให้สงบระงับได้การทำใจสงบระงับนี่แหละได้บุญหลายแล้วเราออกอากาสมาธิมาแล้วก็นึกอุทิศส่วนกุศลท่านเกิดจากสมาธิภาวนานี่ ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาอุพชาอาจารย์ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่ชายพี่สาวที่ล่วงพลับไปแล้วก็ดีที่ยังอยู่ก็ดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่เกิดจากการบรรพชาอุปสมบทอันนี้เราภาวนาแล้วอุทิศส่วนกุศลเลือ่อยไปอย่างนี้เลยบุญกุศลนั่นก็จะไปกระตุ้นเตือนใจของ มารดาบิดาปู่ยาตายายที่ล่วงรับไปแล้วก็ดียังอยู่ก็ดีให้เพื่อนมีจิตใจเบิกบานผ่องใสถ้าทำให้มารดาบิดาและผู้มีพระคุณต่างๆมีความสบายใจได้อันนี้แหละเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างสูง เพราะว่าทุกคนก็ต้องการความสุขอันความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจสงบประงับจากบาปธรรมจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนั่นต่างหากอันความสุขทั่วข้าวนั่นมันมีอยู่แต่มันสุขปฏิอุปดาวนึง แล้วมันก็หายไปอันนั้นอย่าไปถือมัน่นอย่าไปถือว่าเป็นความสุขจริงจังเป็นสุขชั่วกลาวอันสุขมั่นคงที่แท้จริงคือสุขที่เกิดจากการทำจิตให้สงบอบรมจิตให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจาก ความชั่วร้ายทั้งหลายได้ก็ละกิเลสตัณหาให้เบาบางไปได้ผลผู้มีปัญญาแล้วดังนั้นการบวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนานี่จึงเชื่อว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณ เป็นการตอบบุญแทนคุณแก่ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายโดยแท้จริงส่วนถ้าผู้เป็นเครือขัดแล้วการตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาก็คือการไม่ทำชั่ว ตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอีกอย่างหนึง่งผู้เป็นลูกของพ่อของแม่อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ก็ดูแลความสุขทุกข์ของพ่อของแม่พยายามบำบัดทุกข์บำลุงสุขให้พ่อแม่ด้วยไม่ให้พ่อแม่ทำงานหนากัก ลูกพ่อแม่เลี้ยงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีกำลังวางชาดีก็ต้องทำการงานแทนพ่อแทนแม่อย่างนั้นให้พ่อแม่นั่นเฒ่าแก่ชราแล้วให้ได้อยู่สบายสบายไปบรรดาลูกๆที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อกับแม่ก็ต้อง ปฏิบัติดูแลอย่างนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บหนักก็ต้องพาไปโรงพยาบาลถ้าเจ็บไม่หนักเท่าไรขอหาอยุค้ายามาให้รับทานเข้าไปอย่าไปทอดทุระบางคนทอดทุระอ้างว่ามีการมีงานจำเป็นไม่ว่างแล้วก็ปล่อยให้พ่อแม่ เก็บใข้ได้ป่วยอยู่โดยลําพังได้เสวยทุกขเวทนาอยู่โดยลําพังใน อ, อย่างนั้นไม่สมควรเลยได้ชื่อว่าเป็นลูกอักตันอยู่อักะตะเวทีอโดยที่ไม่คิดต่อบบุญแทนคุณท่านเลยเมื่อท่านได้เลี้ยงใหญ่มาแล้วก็ลืมคุณของท่านไม่ตอบบุญแทนคุณท่าน อย่างนี้ท่านว่าเป็นบาปบาปนั้นตามสนองเกิดไปชาติใดก็จะไปเป็นคนใช้เขาบางทีเกิดเป็นวัวเป็นควายก็เป็นสัตพานะของเขารับใช้เขาลากคาดลากไถ่ให้เขาลากร้อเกวียน หาความเป็นอิสระเสรีไม่ได้อันนี้แะบุคคลผู้ที่เป็นนี่บุญนี่คุณของท่านผู้มีอุปกราระทางหลายนั่นซึ่งจะได้มีชีวิตเจริญงอก ง, งามต่อไปชาตินี้ชาติหน้าไม่มีมีแต่ชีวิตนี้จะต้องเสื่อมลงไปเสื่อมจากความสุขความเจริญ เป็นงั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้เข้าใจให้คิดดูว่าเราเกิดมามาเกิดอยู่ในท้องแม่ไม่ใช่พอง่ายๆแม่ก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์เพราะไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรเลยอาศัยอยู่ในรกของแม่ นั่นแหละแม่ต้องพยายามรักษากินกินเผ็ดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวกลัวลูกอยู่ในท้องจะร้อนกินเค็มมากก็ไม่ได้เดินไปมาเนี่ยทางไหนก็ระวังไ ม, ม่ให้ล้มควรจะทันจะไปกระทบกับของแข็งและลูกอยู่ในท้องจะมีอันตราย อันแม่นั้นได้ชื่อว่ารักลูกอยู่ตั้งแต่ในท้องนูน้นตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนูน้นจึงสามารถประคับประคองลูกอยู่ในท้องนั้นให้จเจริญไว้ขึ้นมาโดยลำดับจนแปดเดือนเก้าเดือนก็จะถึงทวนกาหนดที่จะคลอดออกมาเป็นคน ก็ได้คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วช่วยตัวเองก็ไม่ได้มารดาต้องเป็นพารา น, นักต้องช่วยอุ้มช่วยกับคับประคองล้างผ้าขี้ตีผ้าเย่ยวสรพัหลูกบางคนก็นร้องไห้ในเวลากลางคืน พ่อแม่ก็ไม่ค่ยได้หลับได้นอนแม่นั่นก็อดทนเอาอลูกยังเล็กยังน้อยไม่เคียนไม่ตีอดเอาทนเอาทำอ่อยอดเอานั่นแะเราคิดดูอ่ะ ความยากลาบากของมาดาบิดาผู้เลี้ยงลูกอันบิดานั้นเป็นผู้หาเข้าของเงินทองภายนอกนั้นมาจุนเจือกันแม่นั้นมีหน้าที่เลี้ยงลูกอันพ่อนั้นต้องทำการทำงานทำนาทำสวนทำการค้าขายหาเงินน้าทองมาเลี้ยงครอบครัวกันเท่ากัน พ่อก็เชื่อว่ามีคุณต่อลูกเหมือนกันถ้าหากว่ามีแต่แม่คลอดลูกมาแล้วพ่อไม่หาเลี้ยงแม่ก็ไม่ไหวอะ่ะออยู่ไม่ได้แล้วตายเพราะว่าเลี้ยงลูกอ่อนไปทํางานทําการอะไรก็ไม่ได้ยีถอยที่ทอยอาศัยกันอย่างนี้ดังนั้นพ่อกับแม่จึริงอว่ามีคุณต่อลูกเท่าๆกันแหละอืม เราได้มาบวชเป็นพระกรีลิเป็นตามะเนนก็ดีอย่างนี้ก็ให้ภาคภูมิใจว่าเราได้มาประพฤติพรหมจรรย์เป็นการตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะทางหลายเราจะได้หมดนี่บุญนี่คุณไป แต่ว่าท้างให้ดีแท้แล้วก็บวชนานฝึกค้นอบรมจนทำลายกิเลสตนะให้มันน้อยเบาบางออกไปจากกิตใจนี่แหละ้วได้ความรู้ความเข้าใจในสินในธรรมในบาปบุญคุณโทษอย่างไรแล้วก็ไปแนะนำสั่งสอนมารดาบิดา ให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบตามครองธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้มารดาบิดาเห็นผิดไปจากพระธรรมคำสอนอันนี้เป็นการตอบบุญในคุณอย่างสูงทีเดียวล่ะอันนี้นะเพราะว่าได้สอนให้พ่อให้แม่นั้นละมีชาติทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบ ให้มีความเห็นถูกเห็นชอบด้วยดีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วพ่อแม่นั้นจะได้ละความชั่วคือบาปกรรมทั้งหลายแล้วจะได้พยายามทำแต่คุณงามความดีไปพ่อแม่ก็จะพ้นจากนรกอภาภัยยปุームอาบุกเป็นลูกถ้าตั้งใจรักษาศีลห้าประการให้ได้อย่างนี้นะ ก็เป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่อย่างสูงด้วยแล้วกาทั้งเป็นการยกตนออกจากนรกอบายภูมิคือไม่เจตนาที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายตัวน้อยหมายถึงว่าพอได้ตามองเห็นขึ้นไปตัวใหญ่ก็เท่าช้าง ไม่แกล้งทำลายชีวิตของมันแม้เราจะฆ่ามันได้แต่เราก็ไม่ฆ่าเราเอ็นดูมันมันก็ไม่อยากตายอย่างมีชีวิตเมือนกับเรานี่แหละนึกถึงเราเราก็นึกถึงเขาแล้วมันก็ทำกันไม่ลงแลยวนนี้นะ อ, อย่าไปเจตนายิบฉวยเอาสิ่งของฝืนมาเป็นของตน ในเมื่อเรารู้ว่าของนี้มีเจ้าของอยู่อย่างนี้นะเกิดอยากได้ขึ้นมาไม่ต้องห้ามจิตห้ามใจอย่าไปอยากได้้นของเขาเราก็มีมือมีเท้าเหมือนกัน้องหาเอาสอนตนเข้าไปอย่างนั้นเมื่อเจรเดินใบใหญ่โต ม, มาเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วเป็นสาวขึ้นมาก็อย่า ประพฤติผิดสินข้อที่สามคือกาเมสุมิฉาจารประพฤติผิดในกามคือไปเล่นทุกกับเมียของคนอื่นผัวคนอื่นเป็นผู้หญิงคนนี้อันนี้เราจะชื่อว่าเป็นความดีของผู้นั้นผู้ใดทําได้หลีกเลี่ยงได้ผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความชั่ว ความเร็วสามเป็นใจกับขละมไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกามคุณคนเท่ น, นั้นน่ะไม่ไม่ค่อยจะตั้งตัวได้มักจะตกทุกข์ได้ยากก็เงินทองหามาได้แล้วก็เอาไปปนปลือกับชูหมดเลย กระยอมได้รับทุกข์เมื่อภายหลังการกล่าววาจาก็พยายามระมัดระวังอย่าไปเจตนาโกหกหรือพูดเท็จพูดคำไม่จริงเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงแต่มาปั้นเป็นเรื่องจริงเพื่อให้คนเชื่อว่า จะมีความมุ่งหวังอยากได้เงินได้ทองกับเขาหรืออยากให้เขาเสียเสียชื่อเสียเสียงอะไรอย่างนี้นะจิตนาไปอย่างนั้นท่านเรียก ว, ว่าพูดเท็จพูดคําไม่จริงดังนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติทำรู้คําสอนของพระเจ้าแล้วยาอย่าไปหัดพูดเท็จพูดความจริงเรื่อยไปอืม แล้วก็อุคคลใดมีนิสัยชอบเจตนาพูดโกหกโกรมพูดไม่จริงล่อลวงคนอื่นให้หลงผิดเป็นชอบเกิดใปชาติใดก็จะเป็นคนเป็นใบเป็นบ้าเสยียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาและเป็นคนปากเกือกรีนไก่สั้นพูดรัววไม่ได้สับได้แสงอะไรเลย นี่โทษของมุสาวาดนะคนที่มีริ้นไก่สั้นคนเขาเรียกว่าคนปากคือนั่นแหละเออมันกระทษของการพูดมุสาวาดนี้เองดังนั้นให้พึงพากันสังวนระวังคำพูดคำจาให้ดีข้อสุดท้ายการดื่มเหล้ามาสุรากัญชายาผิ่นเฮโรอีนแม่ตะบุรีโบนิโกดี รั่วจะเป็นของเสพติดให้โทษเมื่ออดเมื่อมันติดแล้วไม่ได้บริโภคก็ไม่ได้มีเงินทองเท่าไหร่ก็ต้องหาซื้อมาอยู่มากินมาสูบ응เงินทองหาไปเลยก็หมดถ้ามีครอบครัวก็เลี้ยงครอบครัวไปไม่ตลอดนี่แหละกระลายเป็นคนเร็วคนต่ำไป แล้วร่างกายก็ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บไม่ไหวเพราะของเสพติดนี่ไปทําลายเส้นของร่างกายให้เสื่อมไปทําลายตับทําลายปอดทําลายหัวใจทําลายกระเพาะลําไส้เป็นต้นเหล่านี้นะอ่าฤิ์ของของเสพติดอะไ น, นี้ไม่ใช่ว่ามัน อ่อนๆเมื่อไรอะเ ล, ลตมันเข้มแข็งมากมันซอนใสไป้ทั่วร่างกายเลยอ่าเป็นอย่างนั้นเดิมมันอะ่างนั้นคนพูดติดของเสพติดตอนนี้จึงมักจะเป็นโรคอันร้ายแรงโรคอันที่หมอช่วยรักษาให้ไม่ได้เช่นโรคมะเร็งโรคปอดปวมอ่าอย่างนี้โรคเบาหวาน หมู่นี้นะท่านในโลกนี้ก็ถือว่าเป็นโลกที่ได้แรงหมอกลรักษามไม่ได้เนื้อหน้นเนะ่ยให้พากันรู้ตัวแต่เล็กแต่น้อยไปแล้วดีมากเว้นจากของเสพที่ในโทษต่งางๆแต่เล็กแต่น้อยอย่าไปเรียนแบบผู้ใหญ่หรืออย่าไปเรียนแบบผู้อื่นเห็นเขาสูบแล้วก็อยากสูบ เหรียนแบบกันไปลองดูนะเราเนี่ยไม่ต้องร้องรอกของมูเนียแต่ลองไปลองมามันติดแต่ยังว่ของเสพติดมันไม่มีคุณอะไรแต่น้อยเดียวมีแต่โทษดังนั้นทรัพสมบัติเสียหายไปโดยไม่ใช่เหตุอย่างไปทะเลาะบอกแว่งกับชาวว่านผู้ที่เขาไม่มึนไม่เมา ก่อเรื่องวุ่นวายไปตะพือตะพื้อไอ้คนเสพของเสพจิตต่างๆดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันศึกษาให้เข้าใจให้เห็นโทษแห่งการล่วงศีกขาบทวินันนยนอใหญ่ที่พระเจ้าบัญญัติท่ามไว้เป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชก็ต้องสังวรในพระปาฏิโมกข์ในศีลพระปาฏิโมกข์ ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจต้องรูตำราตำราให้ดีว่าพุทธบัญญัติข้อนี้พระพุทธเจ้าห้ามไม่ทำอะไรต่ออะไรต้องรู้เสมออย่าไปอยู่เฉยๆผู้บวชเข้ามาใหม่ต้องให้รู้ไว้อย่าไปเข้าใจว่าพุทธบัญญัตินั้นจะไม่เป็นบาปเป็นโทษทะานล่วงไปแล้วแต่ก็ยังว่าคนทวนมากเข้าใจผิด เมื่อจนทำบาปไปแล้วล่วงพุทธบัญญัติไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรก็ดีๆอยู่อย่างนี้นะมันมาทลาใจตรงนี้แหละคนเราจึงล่วงศิกขาบวชวินัยน้อยใหญ่ได้นักบวชบางรูปบางล่างนะทั้งพิกษุสามนเนรกอดี ที่จริงแล้วบาปกรรมนี่ในเมื่อบุญกุศลอยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี่อยู่รักษาชีวิตนี่อยู่บาปกรรมที่ทำในปัจจุบนันนี้มันก็ไม่มีอำนาจที่จะไปให้ผลต่อชีวิตนี่ในปัจจุบันนี้ได้ขอให้เข้าใจต่อเมื่อบุญกรรมที่คู้นั้นทำมาแต่ก่อนให้ผลหมดลงไปเมื่ อ, อรดแล้ว นนในคำชั่วที่บุคคลนั้นทำในปัจจุบันนี้จึงจะให้ผลสืบต่ อ, อมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นเนะ่ะอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าทำไปแล้วไม่เห็นเป็นอะไรยังไม่เป็นก่อนตอนนี้นะมันยังมีบุญรักษาอยู่ชีวิตนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นนะการฝึกฝนอารมณ์จิตจึงชื่อว่าเป็นทางที่ดีที่ชอบเหลือเกิน เท่าที่ชี้แจงเหตุผลต่างๆมานี่นะก็เพื่อฝึกผลจิตเพราะจิตนี้มันมีทั้งบาปทั้งบุญติดตัวมาแต่อนเนกชาติวันนี้บาปนั้นมันอำนวยผลให้แก่ผู้กระทำมันเป็นทุกข์อันบุญอำนวยผลให้แก่ผู้กระทาเป็นสุขดังนั้นผู้มีปัญญาเพื่อ น, จ, นจึงขจัดบาปประทำกรรมชั่วออกไปไม่ทามันได จึงตั้งหน้าทําแต่กุศลคุณงามความดีไปจนตลอดชีวิตชีวาอ้อย่างนี้ผู้นั้นก็ย่อมจะได้ประสบความสุขเป็นผลอความทุกข์ก็ไม่มีเพราะไม่เพราะ บ, บาปกรรมทั้งหลายละมันเสียได้แล้วอ่าอย่างนี้แหละดันั้นเมื่อได้ตับตับฟังแล้วก็จงพากัน สร้างอกสร้างใจฝึกฝนกายวาจาจิตของตนให้ตรงต่อธรรมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนปราบเท่าถึงพระนิพพานดังแสดงมา